ต้นโพ้แค่เย็นที่สิบสองวันที่สิบสองมีโอกาสไปร่วมปลูกต้นโพ้ด้วยกันเรืงบุญมหากุศล ม, มหาใหญ่มหาศาลหน่อสีมหาโพที่ได้มาจากกุธขยาที่กษัตริย์ในยุคนั้นถวายราชาการที่ห้าม า, เ, าเป็นหน่อของจากสีมหาโพกุทธขยาแล้วราชาการที่ห้ามาปลูกไว้ที่บัานเบน พอ้วกมัดเบนก็เลยพอะออกมาเพื่อแจกใจันเลยได้รับมาธรรมดาเขาต้องทำ่องขอถึงจะได้อันนี้ไม่ได้ทำ่องขอมาอย่างไงมาเองเ <c oughs> ทวดาเทวดาอยากจะมาแล้ว <c oughs> เี้ยเล็กๆ เ, เป็นหนอเล็กหนอที่เขาพ่อขึ้นมาสูงประมาณเนี้ยยัง <c oughs> ไม่ใหญ่ <c oughs> ก็ <c oughs> พระเจ้าทรงตัดเองเองบอว่าสีมาหาโพ์อยู่ที่ไหน ก็เท่ากับว่าพระสถาพุธประทับอยู่ที่นั่น mm hmm. เท่ากับแบบเทียบเป็นกา ร, ท เ, การทเทียบเท่าพุทโธอมการปลูกต้นสีมหฮะโพต้นแรกก็คือพระอนนนท์ไปปลูกที่เมืองสาวัตถีเชตวันอาถาธพินิการเศรษฐีกับนางวิสาขาร่วมกันแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลร่วมกันปลู ก, ลกต้นโพนั้นได้ชื่อว่าอานันทพโพที่ ต้นโพที่พานุนปลูกหมกคะลานะเหาะเหาะไปที่ใต้ต้นโพแล้วกลางคึงผ้าจีวรลองเมล็ดโพลนไม่ให้ตกถึงพื้นแล้วเมล็ดโพที่หล่นเนี่ยเอาไปเพาะปลูกเป็นการเอาส่วนส่วนของภาษีมหาโพนะไปปลูกเพื่อจะบอกว่า ต่อไปมหาชนทั้งหลายก็จะมีที่สักการะเคารพประดุจดังพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และบุคคลใดก็ตามที่ได้เคารพสักการะต้นศรีมหาโพธิ์จะไม่ไปสู่อบายภูมิในชาตินั้นแต่ชาติต่อไปยังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยังดีพุทธข้ายายอย่งกงเร็ดเลย one, two, one, ะนายสอง ไปอินเดียตั้งหลายหนไม่ได้ไปถึงเลยอยังไม่ถึงค่ะโผต้องไปกลาบให้ได้นะท่านี้ควรไปให้ได้ว่างนะหรือจัดทัวร์ไปก็ได้ใครเก่งก็กราบว่าจะจับเอาให้น้ำใจสักสิบวันนะขั้งก่อนเจ็ดวันมรมันต้องสิบวันค่ะสิวันเพมันจะต้องมีข้ามไป คราที่แล้วก็ไปแลก็ต้องเป็นที่ประสูที่นีจะให้เทศอะไรดีเนาะมีอะไรถามเขามาไหมในนี้ไม่มีนะอันนี้บันทึกเรียงบันทึกแล้วครบันทึกแล้วเหรอเดี๋ย ว, ยวม่ีเดถามได้อ่าได้พอดีไปเห็นเคยได้ยินมาครั้งหนึ่งแล้วก็ ไปดูขับเรียนป่าเขาก็พูดประมาณว่าตัวเราเป็นของเราและไม่ใช่ของเราอือเนีน้คือคำกล่าวนี้ถูกต้องเลยให้พระจันท์เพืปีบาต่น่าจะเป็นบูฮานให้เกิดการโผล่คิดนะแต่ตัวเราเป็นของเราก็จริงเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นตัวเราแต่มันไม่ใช่ของของเรารแล้วก็ในหนังพระรามเขาเขาก็พูดประมาณว่า คือเขาเกิดลูกเราแล้วเขาเขาเขา้เขาใจคำนี้แล้วเพราะว่าตัวของเรานี่ก็คือเป็นของเราเนี่ยแต่ว่าคือเหมือนว่าที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีคนรอบข้าง น, นะไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวเราอืมคือก็ <c oughs> จะสื่อความหมายไปฝรั่งเนี่ยก็มีความสื่อความหมายไปในทางธรรมะเหมือนกันเนี่ยตัวเราเป็นของเราก็จริงแต่ไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ นี่เราเป็นของหมอเนี่ยนี่ก็เป็นของโยมบุญมีนะเนีตัวของโยมแม่จันทิพย์ก็เป็นของโยมบุญมีอาจจะไม่ใช่ของของเราเสมอไปแต่ตัวเราเป็นตัวเราจริงเป็นเป็นจะเป็นธรรลองนี้ยในความหมายทางพุทธศาสนาตัวตนมันมีอยู่จริงอแต่ในตัวตนนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่แล้วมันต้องสลายตัวมันจึงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง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 ความคิดของพ่อความรู้สึกของแม่ลุงป้านะ้าอาญาติพี่น้องอย่างเงี้ยไม่สนใจเลยอยากจะทําอะไรตามใจชอบไม่รู้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกใจอะไรบ้างในสิ่งที่เราทำํำเดี๋ยวเราก็มาพูดว่าแั้ทุกใจกับเราทําไมเราอยากจะทำซะอย่างอะไรตัวนี้เป็นตัวข้างเราอันนั้เนเ็คือเป็นความค่อยใจผิดเพราะว่าผลกระทบคนพู้ได้เจ้าบอกว่า หาเราจะมองธรรมชาติมันคือเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะเพคำว่าหนึ่งเดียวกันหมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมกระเทือนไปอีกสิ่งหนึ่งมีคนคนหนึ่งทําดีความดีจะต้องกระเทือนไปอีกถึงบุคคลหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราทําดีก็ต้องมีคนยินดีกับเราด้วยเพราะสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความดีหรือเมื่อเราตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องกระเทือนต่อต้นไม้ต่ออีกต้นหนึ่งเวลามันล้มลงต้นไม้ต้นอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย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 สิ่งหนึ่งแน่นอนนี่คือคือสิ่งที่เราจะต้องทำมาเข้าใจและยเงเอกด้วยพูดถึงเรื่องนี้จากภาพยนตร์นี้ก็น่าคิดนะเป็นสิ่งที่น่าคบคิดว่านะทางฝั่งหลังเขาให้ความสําคัญนะในเรื่องนี้ในเรื่องคนรอบข้างในเรื่องสังคมโดยกว้างโดยรอบนี้ mm hmm. แล้วเขาพยายามลดทอนตัวเองลดลดทอนความเป็นตัวตนของตัวเองลงมองเห็นถึงคนอื่น มากขึ้นแต่กว่าจะเข้าใจไม่ใช่จะได้เข้าใจง่ายในภาวะชีวิตอย่างนี้นะความเป็นจริงแต่คนที่ผลิตภาพยนตร์หรือว่าสร้างสิ่งเหล่านี้โดยแทรกหลักคิดหรือสิ่งที่ทำให้เกิดขบคิดนั่นหมายถึงว่าการสร้างภางพยนตร์ของคนฝรั่งไม่ได้สร้างเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่เขาพยายามให้แง่คิดอะไรบางอย่างที่เป็นสาระประโยชน์แก่คนชมนั่นคือเป็นจรรยำบณอย่างหนึ่งนะของคนทําภาพยนตร์ไม่ใช่ทําเรื่องอหัวรอดแบบฮีโว่ราดแบบเมืองไทยเราเลยไม่มีสาระอะไรเลย ตลกคบคันเอาเรื่องของพระไปล้อเล่นเป็นหลวงพี่อะไรหลวงพี่นงหลวงพี่เท่งอะไรพระไปล้อเลียนกันทั้งเรือนะ <c oughs> <c oughs> ก, ก็เราก็ต้องพิจารณาดูนะจริงๆทัศนคติของฝรั่งเขายังมีความสอดคล้องกับความเป็นพุทธอยู่มากความเป็นสากลความเป็นสากลที่แท้จริงนะคือความเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่เขามองแต่เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันเ่มันยิ่งจะต้องมีการควบคุมกันและกันถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เกิดปัญหาใช่ไหมสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเยกรมันนี่ได้เนแต่ไม่รู้จะเอากันเมื่อไหร่สักทีนะ <c oughs> ญี่ปุ่นก็ระวังไทยกันอยู่ น, นนะแล้วมันมมันันนเป็นความเกิดเทือนแล้วก็เทือนต้องกันเทือนถึงประเทศไทยอีกถ้าเกิดมีเหตุอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือความเป็นอิสรภาพ ความดีที่เราทําไม่ใช่ส่งผลเฉพาะในความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ส่งผลถึงเทวดาที่เป็นญาติของเรานี่เทวโลกจึงมีในเรื่องราวในท้องเรื่องในพราพุทธศาสนาที่มีการกล่าวว่าในวันภาค15บห้าขั้นเทวดาจะประชุมกันอยู่ที่ธรรมสภาชั้นดาวดึงจะไปประชุมกันหมดในขณะที่ประชุมกันเนี่ยเขาจะประกาศขึ้นมาในท่ามกลางของอธรรมสภานั้นใ น, นสมาคมแห่งเทพนะั้นว่า ญาติของเทพเทพญาติของเทพผู้นี้ได้ไปทําบุญในวันพระที่นี่แล้วได้แบ่งผลบุญมาถึงแก่เราเทพทั้งหลายขอให้พวกท่านจงยินดีอนุโมทนาก็จะประกาศอยู่บนโน่นอยู่บนเทวโลกญาติที่บนเทวโลกซาทุกข์นอยู่นนกระหและเทวาดาทั้งหลายเราอื่นก็สาธุพร้อมกันด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันความดีกระเทือนถึงกันถึงเทวาดาเทวโลกก็ถึงไม่ทำดีกัน ญาติของเทพผู้ น, นี้ทําความชั่วยอยู่โลกมนุษย์มีใครอนุโมทนาไหมไม่มีใครอนุโมทนากูไม่เอาหรอก <c oughs> เดี๋ยวมีแต่กูจะลงไปบีบพอมันไอ้นี่เนปะ็น <c oughs> ญาติกูเหมือนกับครั้งที่พุทธองค์ทรงวางจักรวัตรทิวัดจักรวัตรทิวัดจักรวตรทิวัตคือวัดของพระเจา้าจักรพรรดิที่พึงทรงประพฤติให้มาถึงชั่วอายุคน จนรู้สึกว่าช่วงยุคของที่ว่าเส้นผมงอกให้ออกบรรพชาถ้าเส้นผมงอกเมื่อไหร่ให้ออกบรรพชานี้เป็นเป็นเป็นวัดที่ปฏิบัติมาสืบสืบกันมาหลายรุ่นนะปรากฏว่ารุ่นรุ่นเลนรุ่นล้านรุ่นที่หกที่เจ็ดที่แปดนมั้งที่เส้นผมงอกแล้วไม่ยอมออกบวชบอกว่าจะไปออกบวชทาไม ปู่เราพาทำมาอะไรไม่รู้เรื่องจะไ ป, ปะบวททาไมล่าสมบัตินี้ดีจะตายเนี่ยประมาทเลื่นเล่อเสพสุกอยู่ในล่าสมบัติพอดีเทวดาผู้เป็นผู้ตั้งตั้งกฎเกณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยอยู่ไม่ไรไอ้นี่ซักประมาทแล้วอะ่ะไอเลรนคนนี้ยรู mm ้ hmm. สึกก็จะประมาทเนี่ยไม่ยอมออกบวชเรา usaha าตั้งไว้ไม่งั้นดำอ่าอันนี้ของเราจะสูญเสียไปวงตระกูลในความเป็นกษัตริย์จะสูญเสียไป คือการไม่ยอมสละราชสมบัติให้แก่ผู้ที่อยู่สุดท้ายภายหลังเนี่ยผมงอกแล้วไม่ยอมออกบวดไม่สละเนี่ยจะต้องมีการแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นเนี่ยก็ เ, เป็นอย่างนั้นจิงแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นก็นโดนตุ ป, ปหารโดนโดนประทุสลายสุดท้ายผู้ที่ตั้งกฎคนแรกที่เป็นกษัตริย์นผะู้ที่เจ้าเรานเนี่ยก็เลยลงมาจุตติเองและมาสืบต่อวัดนี้ต่อ เนี่ยทำนองเนี่ยคือมันมีความเกี่ยวโยงกันในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สายเลเชนเปลือยพีิภูสัตวสุรกายหรือเทวดาเนี่ยไม่ไม่มีไม่ ม, มีใครได้หายออกไปจากโลกนี้อย่างแท้จริงตายก็แค่ยุติความเป็นมนุษย์ในภาวะหนึ่งเพราะละชีวิตไปหลังจากความตายก็ไปอยู่ภพหนึ่งแต่ไม่ได้หายไปไหนยังรับรู้รับทราบถึงกันอยู่เพียงแต่เราเราไม่รับรู้รับทราบถึงเขาแต่เขารับรู้รับทราบถึงเราแม้เขาจะไม่รับรู้รับทราบ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 อาจจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ทําความดีนะได้แต่ทําอะไรที่มันไม่ดีเอาใจใจน้องเพลงอย่างนี้เอาใจใจหรือเปล่า <c oughs> หนูอยากหนูอยากจะทําอะไรก็เรื่องของหนูหนูอยากจะ <c oughs> อยู่หน้าจอก็เรื่องของหนู <c oughs> แม่ไม่ต้องมาสนไม่ต้องมายุ่งเนี่ยอันนี้คือยึดถือในตัวเองมากเกินไปต้องต้องลดทอนความรู้สึกในความยึดถือในตัวตนของตัวเองลงแล้วก็พ่อแม่ช่วยให้ทําอะไรก็ทําอ น, นันบ้างนะน้องเพลง ธรรมะในหนังเรื่องนี้นไม่รู้เรื่องอะไรธรรมะเป็นธรรมะแต่แต่โคคิดไม่ถึงก็แค่ได้ชมเป็นแค่บันเทิงแต่ถ้าโคคิดถึงก็มีค้ทํารหลายขอธรรมที่ได้จากการดูภาพยนตร์เหมือนกันนะโดยเฉพาะภาพยนตร์ฝรั่งมีบางคําที่พูดถึงถึงสัจธรรมของชีวิตด้วยในหลายสิ่งหลายอย่างมันจะท้อนถึงสัจธรรมในบางสิ่งบางอย่างออกมา เคยดูเรื่องอะไรเรื่องที่มันจิตซ้อนจิตอะไรเนี่ยมันก็คล้ายคลึงแต่ไม่คล้ายเสียทีเดียวกับหลักคําสอนในทางพุทธศาสนาจําชื่อเรื่องเขาเป็นไรนะฝรังที่สะกดจิตอะไรกันเนี่ยจำค่ะถ้าอย่างนี้อย่างอย่างฝรังหรืออย่างอย่างคนเชิดหรือว่าศาสนาอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือบ่งทีเขาก็มีเมีอย่างนี้ใช่เหมือนหลักทรรของเราแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้แบบให้ืจะรู้ว่า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 ความเป็นพุทธเจ้าก็ไม่มีความเป็นพระสงฆ์สาวกก็ไม่มีความเป็นตัวบุคคลในนั้นไม่มีทุกอย่างเสมอทั้งหมดเสมอกับความความเป็นพุทธเจ้าหน่อแต่ไม่มีความเป็นพุทธเจ้าคือมันไม่มีมันถอดความเป็นสมมติทั้งหมดออกไปความเป็นพุทธเจ้ายังเป็นสมมุติเมื่อเข้าไปสู่สภาพที่เป็นเสมอกันหมดแล้วก็ก็ไม่มีการกําหนดหมายและสมมติในสิ่งใดๆว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่แต่ไม่ได้หายสาบสูญไปไหน ต้องเป็นผู้เข้าถึงถึงจะสามารถทราบได้ที่นี้ทางศาสนาอื่นเขาสอนทาคุณงามความดีสอนหลักหลักธรรมที่ทำให้เขามองเห็นอย่างเช่นคำที่บอกว่าตัวเราเป็นของเราตัวเราเป็นตัวเราจริงเแต่ว่ามันไม่ใช่ของของเรามันเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักธรรมก็จริงแต่เพียงแต่ว่าเส้นทางแห่งอริยมรรตนะ์เขาไม่มีถึงแม้จะมีการมองสอดคล้องกับหลักธรรมชาติหลักความจริงก็ตาม แต่ไม่มีเส้นทางในการดําเนินเขาก็ไปจับออกจากรตานี้ไม่ได้เพราะว่ามีปัญญาในการรู้จักการวางตนการดํารงตนความเป็นอยู่ในชีวิตใ น, ในสภาพแห่งการเกิดเย็นนับไหวใจเกิดอเงี้ยเขาจะมีปัญญาตัวนี้ติดตัวไปอยู่ที่ไหนก็ตามปัญญาตัวนี้ก็คอยอบรมจริตใจเขาให้เขากล้าทำสิ่งที่ดีๆต่อคนในสังคมมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมมันก็ดีดีแต่ดียนั้นมันยังมันยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกยังไม่ใช่ความดีที่แท้จริง ดีแต่ยังไม่จริงความจริงที่จริงต้องไม่มีการเวียนม่ตายเกิดอันนี้คือทัศนธรรมพุทธศาสนาแต่ทัศนะศาสย์อื่นถึงเขาจะไปรวมอยู่กับพระเจ้า ก, ก็ต้องมีการไปอยู่รวมกันกับพระเจ้าเมื่อมีการไปอยู่รวมกันก็ต้องมีหนึ่งพระเจ้าเป็นหัวหน้าสองมีลูกของพระเจ้ามีบริวารของพระเจ้าก็มีการปกครองกันใช่ไหมเพราะมีการไปอยู่รวมกับพระเจ้า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 นิพพานไม่ใช่ที่หรือแม้แต่ทุกวันนี้มีคนเข้าใจว่าพระนิพพานพระเจ้าหรือว่าอะไรที่เขาพูดถึงว่าเป็นสภาพเดียวกันไอปรามาตตะมันของพราหมณ์ของฮินดูอะไรเป็นสภาพเดียวกันตะมาขอคัดค้านว่าไม่ใช่ในทิฏฐิความเห็นที่คนเข้าไปไม่ถึงนิพพานมากักจะมีความเห็นว่าเป็นอนเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าใครจะไปรวมอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่ที่เรียกว่าปรารมาตตะมันหรือนิพพาน เขาก็บอกว่าเป็นสภาพอันเดียวกันที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเทวายแต่จริงๆไม่ใช่มันคนละเรื่องคนละอย่างคนละความหมายเพราะนั้นพุทธศาสนาเราทึ่แม้จะมีทางเดินเป็นทางสายกลางที่ออกจากวัตะแต่คนในพุทธอะไรเท่ากับ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 ฝลังก็งงกันคนไทยเขาลบได้ทุกอย่างเนาะใช่ไหมไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหวสัตว์ิการไหวเสาหลักเมืองไหวสารพูมูไหว้ได้บทเขาลบทุกอย่างแต่ไม่เขาลบอย่างเดียวกดจราจรก็เขาวากันอย่างนั้นนะก็เป็นธรรมดาธรรมดาของคนที่ยังงมงายอยู่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 วางแผนผิดหมดนลย ต, ตั้งแต่โครงสร้างคณะสมมิก็ผิดแล้วส่วนเดือสังขราชไม่เข้าประชุมในมหาเทระสมาคมเพราะอะไรโครงมันวางโครงสร้างกันผิดมันมีการกระทําที่มันมีนอกมีในอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่ไงเรื่องของเงินฟัด เ, เงินอุดหนุนฟัดเหรอวันเป็นประเด็นเป็นว่าเงินทอนกันนี่แหละมันก็มีคนจะเอาเรื่องกันอยู่แต่มีคนก็ กีดกันกันอยู่หลายอย่างนหละคือมันเสียหายไปหมดไปตั้งแต่นี่แหละไอ้พออพุทธนาสําำนักงานพฤษศนาแห่งชาติที่ว่ามีคดีเนี่ยโกงเงินโสงไปเนี่ยมันรู้กี่ล้านตกี่ล้านตามข่าวนะแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อใส่ความนะเล่นโสมเยอะไหมเยอะเยอะอะไรชี้มาอะไรมานี่อ๋ออันนี้คือ เราพูดกันอยู่ที่นี่ไม่ได้กล่าวปามารใครพูดตามข่าวเนื้อข่าวที่เขาออกออกมานะจริงหรือเท็จยังไงก็กรรมบุณาวัตะตีโลโกโสัตว์โลกไปไปตามกรรม <c oughs> แต่ทำกรรมอะไรก็ได้รับกรรมอันนั้นไมเลื่อนธรมรมดา <c oughs> มันก็ต้อง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 ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์แต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ต้องเชื่อคําสอนของพระองค์ด้วยเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อคําสอนพระองค์มันไม่มีคุณค่าอะไรเลย ม, มันไม่เกิดคุณค่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตมีอยู่คนทั้งหลายมาทําบุญด้วยตถาคตได้บุญก็จริงแต่คุณค่าของตถาคตไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญของคนแต่คุณค่าของตถาคตก็คือความเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่เพื่อสอนหลักทําให้คนได้รู้แจ้งเห็นจริง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 เมื่อผมไม่ได้แสดงหลักธรรมข้อนี้เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนเราก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลผู้บูชาเทพเจ้าบุคคลผู้ประพฤติดีนะเทพเจ้าเทวดาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาทําดีในขณะที่เป็นมนุษย์ตายแล้วก็เป็นเป็นเทพเพราะความดีส่งผลให้เขาได้เป็นเทพเมื่อเขาได้เป็นเทพเพราะเขาลึกได้ว่าที่เขามาเป็นเทพได้ไม่ใช่เป็นเทพเพราะผุดเกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์หรืออํานาจอะไรเมื่อจากการทําความดีขณะที่เป็นมนุษย์ฉะนั้น ความเป็นเทพนั้นหากมนุษย์ใดทําดีก็เข้าถึงความเป็นเทพได้สเสมอเหมือนกันกับตัวของตัวของเทพเอง mm hmm. การที่มนุษย์จะคอยแต่มาบูชาเทพนั้นจะมาบูบชาทําไมทําไมไม่ยอมทําความดีเพื่อให้เป็นเทพแบบเขาอย่างเงี้ยเขก็ลยจะคิดอย่างนี้ mm hmm. ใช่ไหมละ่ะแต่ความเป็นสมาสัมพุทธะใครสามารถเข้าถึงได้บ้างมีเข้าถึงได้แค่บุคคลดีผู้เดียวเท่านั้นนะในยุคหนึ่งนะแต่และยุคเนี่ยนะเข้าถึงได้แค่ผู้เดียวนอกนั้นได้เป็นแค่สาวกเพราะฉะนั้นการที่ พุทธองค์บังเกิดหรืออุบัติขึ้นไม่ได้อุบัติเพื่อให้คนทําประสงค์ใหจทําบุญเท่านั้นแต่ประสงค์ให้คนเดินตามหลักคําสอนและเข้าไปถึงสัจจ์นี่คือพุทธประสงค์นี่คือประโยชน์ของพุทธองค์หาพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็เป็นได้แค่ปัจเจ ก, กับพุทธเท่านั้นปัจเจ ก, กับพุทธไม่ตั้งศาสนาไม่สอนธรรมเจ้าว่าไม่สอนเลยก็ไม่ใช่ทั้งแตสอนเรื่องการให้ทานทําบุญโลกหน้า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 มาตีความหมายไปสู่หลักคําคําสอนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติตรงนี้คือความสําคัญไม่ต้องมาทรงจําอยู่ในหลักของไอ้ปาถกถาที่ว่าเอาไปสวดเพื่อทรงจำธรรมะอเ น, นี้ยไม่ต้องแนละ้วแน่นอนว่ายุคก่อนจะต้องทรงจําไว้เพื่อเป็นการสื่อต่อหลักคําสอนไม่ให้เลอะเดือนต้องจําทุกคนต้องจำภาพทุกรูปต้องจําบทธรรมแต่ตอนนี้มีการจดงานลึกแล้วไม่จําเป็นแล้วการทรงจํำนะไม่จะเป็น ไม่ต้องไปสวดที่ไหนไหนอีกบ้านไหนเมือง <c oughs> ไหนก็ไม่ต้องไปสวดอีกไปบอกทำไปสอนทำไปแนะนำทำไปชี้ทางให้คนได้รู้จักรู้จักอะไรรู้จักความจริงของชีวิตคือทุกข์เรามีทุกข์นะแล้วเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่พเพราะฉะนั้นทุกข์มีอยู่ก็เพราะมีเหตุของมันเนี่ยเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะเหตุของมันเรารจะ ร, รู้จักเหตุของมันไหมว่าเหตุมาจากอะไรเมื่อเรารู้จักเหตุแล้วเราก็ต้องยอมรับทุกข์ได้เพราะมันมีมาจากเหตุ อ๋อเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองจึงมีทุกอย่างนี้เราก็จะเข้าใจชีวิตเราก็จะไม่ปฏิเสธทั้งทุกและเหตุของทุกเมื่อใดก็ตามที่เหตุเรายังทําอยู่ทุกก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเราจะยอมรับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราละเหตุได้เมื่อนั้นทุกก็ต้องไม่มีอย่างเงี้ยเราจะต้องมากําหนดรอบรู้ว่าเราควรจะละเหตุอย่างไรเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยให้กับเราเช่นมี พระปุณะปุณะเนี่ยได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้ารู้จักทุกชีวิตมีทุกรู้จักเหตุแต่ยังละไม่ได้เพราะได้มีครอบครัวแล้วมีย่าเรือนแล้วทําการงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรแล้วย่ไม่ใช่ปุณะเอุนณะนี่แหละประมาณนี้นะปุณะหรือปุราณะนี่แหละประมาณพระสาวกองค์เนี้โจนนึกใจใจว่าเราจะต้องละเหตุนี้แล้วก็ แต่ก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ดูในการ ด, ดําเนินชีวิตเลี้ยงชีพมัยังสร้างเหตุแห่งทุกข์ดูแล้วก็พยายามภาคเพียนเข้าไปทําการละสุดท้ายเมื่อรู้แล้วว่าละได้คือการไปขอพระเจ้าอุปสมบทพระเจ้าก็บอกว่าทําไมเธอถึงมาบวชตอนอายุมากทําไมไม่บวชตอนสมัยที่ฟังทำเราในครั้งนั้นข้าพงษ์ยังละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้พระเจ้าข้า เหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ข้าพุทธก็ต้องทําเหตุแห่งทุกข์นั้นไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะละพอละมา ก, ก็มาบวชบวชไม่นานก็ศีลสวกกิเลสเป็นพระอารหันต์มันหมายถึงว่าทางแห่งมรรคนั้นมันมันมีรอเราอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลให้เราเป็นไปในเบื้องหน้าในความเป็นผู้ดับทุกข์ให้กับตนเองอยู่แล้วมันก็สําคัญที่สุดก็คือหลักคําสอนพระพุทธเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเราแต่ไม่สอนธรรมะอะไรให้เราเลย มีประโยชน์ไหมไม่มีนะตมาว่าไม่มีเลยนะถามว่าได้บุญบุญบุญก็ทำอ่ะมันมันก็ได้แค่ส่งผลให้เป็นไปในวัตถะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ตกทุกข์ได้ยากมัดดิ้นรนอีกเอาบุญมาสนับสนุนในความเป็นมนุษย์ในขณะที่ทํากับผู้ไเจ้าอาจจะถึงมีโชคมีลาภอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นจากความภายัยแห่งความเป็นโลกเป็นภัยหนีไปพ้นจากความหิวความกระหายความ